คนเราตายแล้วไปไหนอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยก็อยากหาคําตอบแล้วก็มีหลายคนนะมีคําถามว่าตายแล้วเนี่ยร่างกายของเรามันจะส่งผลยังไงต่อโลกหรือต่อสิ่งแวดล้อมอะมีหลายคนถามคําถามนี้นะเพราะเขาพบว่าหรือเขา มองว่าเนี่ยคนเราพอตายแล้วเนี่ยให้ร่างที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อโลกหรือต่อธรรมชาติเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเลยแถมมักจะเกิดภาระหรือก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดลอ้อมและกับผู้คนด้วยอย่างเช่นวิธีการจัดการกับร่างกา ย, ยของ คนที่ตายแล้วเนี่ยที่เรารียกว่าโปร่งศพเนี่ยที่ที่โยมทํากันอย่างเนี้คือฝังนะแต่การฝังนี่มันก็ใช้เนื้อที่พอสมควรทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้นะที่ดีมันก็ราคาแพงพื้นที่ที่จะใช้ฝังร่างผู้ที่ตายไปแล้วนี่มันก็หายากเรื่อยๆนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ตอนหลังก็หันมาใช้วิธีเผานะอย่างตอนนี้ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเคยมีธรรมเนียมฝังศพนี่ก็หันมานิยมการเผาแล้นี่การเผานี่มันก็เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันทําให้เกิดควันทําให้เกิดก๊าซพิษทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นซึ่งตอนนี้มันเป็นตัวการทําให้เกิดโลกร้อนอีกทั้งโลงที่ใช้เนี่ยนะ มันก็หมายถึงการตัดไม้ซึ่งก็นำไปสู่การทำลายพื้นที่สีเขียวอันนี้ไม่ว่าฝังหรือเผาเนี่ยมันก็ส่งผลนะต่อต้นไม้นะต่อธรรมชาติก็มีหลายคนคิดไว้คนเรานี่ขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ย ควรทำประโยชน์ให้กับโลกและทําไมเวลาตายเนี่ยจึงจะเป็นภาระหรือสร้างปัญหาหกับโลกนะร่างกายเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างเหมือนกับชีวิตอื่นๆนะอย่างนี้ก็เลยมีคนคิดถึงเรื่องการจัดการศพแบบใหม่นะก็คือย่อยสลายเลยย่อยสลายให้กลายเป็นดินแล้วก็เอาดินเนี่ย นะกลับคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยบมรุงต้นไม้นะไม่ต้องเผานะให้เกิดก๊าซพิษแล้วก็ไม่ต้องใช้โรงที่ทำด้วยไมนะ้ซึ่งต้องอาศัยการตัดไม้อันนี้ก็มีคนนะิยมวิธีการแบบนี้มากขึ้นนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่ช่วยได้ อย่างเช่นตอนนี้ก็มีการหลายคนก็พอตายแล้วนี่ก็พนยทำพิในกรรมว่าเนี่ยอาร่างเนี่ยใส่ไว้ในโรงที่ย่อยสลายได้แล้วก็ในโรงนี่ก็มีวัสดุที่ช่วยเร่งการย่อยสลาย มีทั้งฟางมีทั้งเศษไม้แล้วก็มีใส่จุลินทรีย์เข้าไปนะเติมให้เข้าไปแล้วก็ช่วยให้มันเนี่ยย่อยสลายวิธีนี้เนี่ยอตอนนี้ก็ทำกันในหลายประเทศแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าการจัดการกับศพแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายรับรองนง ตอนนี้ก็มีหลายประเทศหลายแห่งเนี่ยเขาก็มีกฎหมายรับรองแนะอย่างเช่นอเมริกามันมีรัฐหนึ่งนะรัฐโคโลราโดเอามีกฎหมายเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะรับรองหรือยอมรับการโปรงศพด้วยวิธีย่อยสลายนะมันไม่ใช่ว่าใครจะทำได้เลยนะมันมีระเบียบนะมากมายนะในประเทศเหล่านี้ รวมทั้งรักเหล่านี้เพื่ อ, อผลด้านสุขภาพพลานามัยสุขภาพอนามัยนะแล้วก็พบว่าเนี่ยวิธีการย่อยสลายแบบนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้ถูกสุขลักษณะได้กฎหมายออกมานะที่รักคนรโดูมาปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีคนแรกนะที่เขาย่อยสลายนะร่างกายด้วยวิธีเนี่ย ก็ย่อยสลายนี่เพิ่งเสร็จนะ6เดือนนะเป็นลายแรกเลยนะที่ขอปรงศพด้วยวิธีนี้ร่างกายเขานี่6เดือนผ่านไปนี่กลายเป็นดินมาเลยนะดินร่วนเลยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งก็มีการทำพิธีนะน ำ, นำดินจากร่างที่ย่อยสลายนี้คืนสูธ่ธรรมชาตินะ เป็นการทำพิธีง่ายๆนะแต่มีความหมายเอาดินจากร่างของผู้ตายนี่มาผสมนะกับคืนสู่ธรรมชาติในสุสานซึ่งมีความร่มรื่นนะมีต้นไม้ดีเหล่านี้มันก็กลายเป็นปุ๋ยไปให้กับต้นไม้วิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ดีนะแล้วก็เริ่มมีคนนิยมมากขึ้น บ้านเราอาจจะยังทำไม่ได้แบบนี้นะเพราะมันต้องมีเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการให้การผงศบนี่มันถูกสุขลักษณะแต่สิ่งที่จำได้นะคือว่าพอเผาแล้วมีอังคารหรือเท่าเนี้ยแทนที่ไปโปรยกับแม่น้ำนะหรือใส่ธาตุเอาไว้ซึ่งก็ใส่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกหลานจะดูแลในภายภาคหน้าหรือเปล่าก็เอามา ฝังไว้ในดินคืนสู่ธรรมชาตินะให้เท่าและอังคารนี่มันคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยบุมรังบำรุงต้นไม้แนะถ้าให้ดีก็ปลูกต้นไม้นะบนหลุมนั้นด้วยนะเป็นอนุสร์แล้วก็เป็นเครื่องกําหนดหมายว่าเนี่ยอ๋อนี่พ่อของเราแม่ของเราบุญนญะาต่อยางของเรานี่ได้อ่านฝะังเท่าอังคารไว้ตรงนี้ต้นไม้ปลูกแล้วก็ดูแลให้งอกงาม โอ้ไม่ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะก็คือว่าเท่าแรงขายก็คืนสู่ธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้แต่เดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้นะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดความร่มรื่นนะแล้วก็ประหยัดด้วยรวมทั้งไม่ก่อภาระแก่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนทำอันนี้เยอะแล้วนะอ่านะ เอาเท่าแรงคานของญาติผู้ใหญ่ของพ่อแม่บุพ ก, การีหรือแม้กระทั่งลูกเนี่ยเอาไปฝังไว้ในดินแล้วก็ปลูกต้นไม้บำรุงต้นไม้ให้ดีให้เจริญงอกงามก็กลายเป็นว่านอกจากคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะร่างของผู้ตายก็กลับกลายมาเป็นชีวิตใหม่นะกลายมาเป็นต้นไม้ที่เขียวร่มรื่น นะเป็นประโยชน์กับโลกได้ด้วยนะอนนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ควรจะนิยมทำกันให้มากๆนะเพราะว่าการเผานี่ก็เป็นภาระมากมายหลายอย่างนะแม้ว่ามันจะเดียวการฝังแต่มันก็สร้างภาระหรือปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกของเราซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะย่ำแย่เต็มที แล้วคนก็น้าวันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะเจ็ดแปพันล้านคนอยู่แล้วนันถ้าเรามีวิธีการปรงศบจัดการกับร่างกายที่มันกลมเกินกับธรรมชาติเก้อกวนต่อสิ่งว่าร้อนนีม้มันก็เป็นยิ่งเป็นสิ่งที่นานุโมทนามาก